501ห้องผีเฮียนก่อนจะเข้าออกหออย่าลืมไหว้สารนะสมภัสสยองวันนี้สมภัสสยองจะนำเสนอเรื่องราวที่มีการแนะนำเข้ามาจากทางบ้านซึ่งเรื่องนี้ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วก็ถือซะว่าได้ฟังในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็แล้วกันส่วนอีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้รับฟังงั้นเราก็มาหลอนไปได้วยกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานและผู้รับชมรับฟังทุกท่านเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว ก่อนอื่นต้องขอเท้าความก่อนว่าสมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีตอนนั้นผมอยู่ปีที่สองผมได้พักอาศัยอยู่ห้องพักกับพี่สาวของผมพออยู่มาได้ระยะหนึ่งพี่สาวก็ได้มีแฟนมาอยู่ด้วยผมจึงคิดว่ามันคงเป็นการไม่สะดวกจึงขอย้ายออกมาพักอาศัยอยู่เพียงคนเดียว ซึ่งพี่สาวก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดผมเลยออกมาหาหอพักคิดว่าจะหาหอพักที่ราคาไม่แพงมากและที่สำคัญต้องมีแอร์ด้วยเพราะผมมันคนขี้ร้อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไมลซึ่งได้พาผมหาหอพักที่ราคาไม่แพงมากเราขี่รถจักรยานยนต์หากันตลอดทั้งวันหายากมากๆ เพราะแต่ละที่ที่มีแอร์นั้นราคาค่อนข้างจะแพงเราหาจนถึงตอนเย็นตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วคิดว่าถ้าหาไม่ได้คงจะต้องหาใหม่ในวันหลังแต่ผมคิดว่าไหนๆก็เหนื่อยหามาทั้งวันแล้วก็ต้องหาให้ได้สิแล้วก็ไปเจอหอพักแห่งหนึ่งอยู่ซอยประชาสันติ ดูจากสภาพภายนอกตัวคารแล้วมันเป็นหอเก่าประมาณสิบกว่าปีเห็นจะได้แต่ก็ดูไม่เก่ามากนักผมจึงจอดรถและเดินเข้าไปถามป้าที่กำลังซักรีดผ้าอยู่ว่ามีห้องว่างไหมป้าก็ตอบว่ามีจเจ้าห้องแบบไหนผมเลยถามป้าว่าป้าป้าห้องแอร์เนี่ยราคาต่อเดือนเท่าไหร่ป้าแกก็บอกราคามา เมื่อผมได้ยินก็ใจชื้นขึ้นมาทันใดเพราะราคามันแค่2 8 0พอบาทต่อเดือนทง้งทางที่หอพักที่ถามมาหลายๆแห่งราคา 3,200 บาทถึงสี่พันกันหมดแล้วเพื่อนผมไอ้ไม่มันก็ดึงผมไปคุยเฮ้ย <"He i, S 1> มานี่หน่อยกูว่ามันถูกไปนะมันต้องมีอะไรแน่ๆ่ไอ้ไม่เป็นคนกลัวเรื่องผี แต่ผมเป็นคนไม่เชื่อผมเลยตอบไปว่าคิดมากมึงดูสิหออยู่ในซอยขนาดเนี้ยตึกห อ, อก็ไม่ได้ใหม่กูว่าสมราคาอยู่นะเออเออแล้วแต่มึงผมก็เลยขอดูห้องป้าแกก็ถามผมว่าจะย้ายเข้าวันไหนผมก็ตอบไปว่าวันนี้เลยแล้วป้าก็พาผมขึ้นไปดูห้องมาถึงตอนนี้ ผมขออธิบายสภาพแวดล้อมก่อนซึ่งคนอุดรจะรู้ดีว่าซอยชื่อนี้มีหลายเลขหลายซอยและไม่ได้ห่างไกลจากสถานที่หลักๆเลยเช่นสถานบันเทิงตลาดมหาวิทยาลัยส่วนตัวหอพักก็อย่างที่ได้บอกไปหอของที่นี่จะมีอยู่ห้าชั้นชั้นห้าจะเป็นชั้นต่อเติม ซึ่งผมได้อยู่ที่ชั้นห้าเนี่ยแหละส่วนทางเข้าหอพักจะต้องเดินผ่านสารซึ่งก็ดูเป็นสารพระภูมิทั่วทั่วไปสีเขียวเข้มมีของไหว้พวกพวงมาลัยดอกไม้น้ำผลไม้อะไรประมาณนี้แต่ดูยังสดใหม่เหมือนเพิ่งไหว้ไปได้ไม่นานนักผ่านสารไปก็จะเป็นทางเดินและที่จอดรถจั ก, กรยานยนต์ ทางขวาเป็นทางขึ้นและเป็นทางเดินยาวมีห้องทางขวามือประมาณสามห้องพอมาถึงหน้าห้องก็เห็นว่าห้องนั้นมันเป็นห้องห0 1หนึ่งที่ชั้นนี้มันค่อนข้างจะใหม่ดูรอบๆก็สวยดีแล้วก็มีทั้งหมดสามห้องด้วยกันป้าก็เปิดประตูให้ผมดูภายในห้อง เดินเข้าไปทางขวามือจะเป็นเตียงซ้ายมือเป็นผนังห้องปลายเตียงเป็นตู้ทีวีทีวีจะวางอยู่บนตู้ไม้มีชั้นมีช่องลิ้นชักเก็บของตู้เย็นอยู่ถัดไปจากทีวีทางซ้ายเล็กน้อยขวามือจากทีวีจะเป็นโต๊ะเครื่องแปลงตรงไปเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกระจกขวามือเป็นห้องน้ำ ซ้ายมือเป็นระเบียงห้องประตูกระจกโดยรวมแล้วห้องสวยหน้าอยู่มีของครบผมก็เลยเดินดูห้องป้าแกก็ขอตัวลงไปก่อนแล้วป้าก็บอกว่าป้าจะลงไปรอข้างล่างจากนั้นป้าแกก็เดินจากไปไอไม้เพื่อนผมมันก็ทำซีหน้า ก, กังวล ผมเลยบอกไปว่าจะกลัวอะไรวะห้องก็ใหม่ดีไม่เห็นมีอะไรผิดปกติหรือน่าสงสัยมันเลยตอบผมว่าก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่มันแค่สงสัยเรื่องราคามันถูกไปไหมเพื่อนผมเลยบอกมันไปว่าเออหนะ้ามึงคิดมากกูก็บอกไปแล้วไงหอมันเก่าป่ะป ะ, ปะลงไปทำสัญญากันจากนั้น ผมก็ทำสัญญากับป้าคนดูแลหอส่วนเจ้าของนานๆจะมาทีหรือไม่ก็จะมาตอนสิ้นเดือนพอทำสัญญาเสร็จป้าแกก็พูดทิ้งท้ายบอกกับผมว่าหนุนม่มๆก่อนจะเข้าออกหออย่าลืมไหว้สานะก่อนที่ป้าจะไปแกก็ย้าอีกครั้งว่าอย่าลืมนะป้าไปละ ช่วงนั้นก็ประมาณหกโมงกว่าเห็นจะได้ผมก็รีบย้ายขนของออกจากห้องพี่สาวเท่าที่จำเป็นออกมาก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยแบวที่เหลือเพราะผมเอาของเก็บไว้ในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พายไม้ไปเลี้ยงดื่มตอบแทนน้ำใจจากนั้นผมก็กลับมาห้องตอนประมาณห้าทุ่มกว่าๆแล้วผม ก็เผลอหลับไปผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีประมาณตีสามกว่าๆเพราะผมได้ยินเสียงข้อห้องแรงมากๆๆๆผมจึงเดินไปเปิดประตูดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครผมเลยสงสัยว่าเป็นห้องข้างๆหรือเปล่าก็เลยอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็นอนต่อ ผมอยู่หอพักแห่งนี้ห่างไปได้สองเดือนแล้วทุกอย่างก็ดูปกติดีจนมีอยู่คืนหนึ่งที่มันทําให้ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตวันนั้นผมได้นัดกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยบอกว่าวันนี้เราไปดื่มกันดีกว่าเพื่อนมันก็ตอบตกลงผมจึงบอกกับพวกมันว่าตอนสองทุ่มมารับกูได้นะ ไอ้หมายก็ตอบโอเคได้เวลาประมาณสี่โมงเย็นเลิกเรียนผมก็ทำกิจธุระต่างๆจนใกล้ถึงเวลาก็อาบน้ำแต่งตัวรอเพื่อนแต่รอเพื่อนอยู่นานเพื่อนก็ยังไม่มาสักทีผมเลยลงไปซื้อเบียร์มาดื่มรอที่ห้องพอดื่มไปพอประมาณ <c oughs> ก็คิดว่าลงไปรอข้างล่างดีกว่าผม นั่งรออยู่พักหนึ่งก็หยิบเอาบุหรีมาสูบแต่ไม่มีไฟแชกผมก็เลยเดินหาตามรถจักรยานยนต์คิดว่าอาจจะมีแต่ก็ไม่มีผมก็เลยโทรบอกเพื่อนให้เอาไฟแชกมาด้วยแล้วผมก็ไปนั่งบนรถจักรยานยนต์คันหนึ่งรอด้วยอาการมึนๆเล็กน้อยผมก็นึกขึ้นได้ว่า ที่นั่นต้องมีแน่ๆที่นั่นที่ผมหมายถึงนั่นก็คือศาลนั่นเองผมเลยเดินตรงไปที่ศาลเพื่อหาไฟแช็คตอนนั้นก็มืดพอสมควรแล้วมีไฟจากที่จอดรถแต่ไฟก็ไม่ได้สว่างมากนักแสงมันออกสลัวสลัวเพราะหลอดไฟมันน่าจะเก่ามากแล้ว ผมก็เลยใช้ไฟจากมือถือส่องหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอผมมั่นใจว่าผมหาทุกที่หาจนทั่วแล้วผมก็ถอดใจคิดว่ารอให้เพื่อนมาก่อนค่อยสูกก็ได้ในขณะที่ผมหันหลังเดินออกมาผมก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งมันดังออกมาจากสาร เหมือนเสียงไม้ลัน่นผมก็เลยหยุดเดินแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกแต่เสียงนั้นเปลี่ยนไปมันเป็นเหมือนเสียงที่มีอะไรกระทบกับสารผมตัดสินใจหันกลับไปเชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมแปลกใจมากเพราะมันคือไฟแช็กมันวางอยู่ในแนวตั้งซึ่งถ้าตั้งขนาดนั้น ผมน่าจะเห็นตั้งนานแล้วแต่ผมก็มั่นใจว่าผมหาทั่วแล้วจริงๆแต่ไม่เจอตอนนั้นผมแปลกใจมากๆแต่ด้วยความที่ผมไม่กลัวกับมึนๆอยู่เล็กน้อยก็เลยคิดว่าผมอาจจะเมาจนตาลายมองไม่เห็นเองแล้วผมก็หยิบไฟแช็คมาจุดแล้วก็วางคืนไว้ที่เดิมหลังจากนั้น ไม่นานเพื่อนผมก็มาถึงแล้วพวกเราก็ไปเที่ยวกันพอเที่ยวดื่มกันเสร็จถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายไอ้ไม่ก็กลับมาส่งผมที่หอซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วเมื่อถึงห้องผมก็ปิดไฟแล้วนอนเลยเพราะเมาแล้วแต่นอนไปได้สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกตัวตื่นขึ้น พอมีเสียงดังมาจากทางหน้าต่างมันดังคึบตึกคึบตึกคึบตึกพร้อมๆกับมีกลิ่นเหม็นเหมือนมีอะไรเนา่าๆผมจึงลืมตา ม, มองออกไปทางหน้าต่างแสงไฟจากข้างนอกทำให้เห็นเป็นภาพลางๆปรากฏว่าผมเห็นหน้าต่างมันค่อยๆถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเมือนซีดเซียวนั้น ค่อยๆเปิดกระจกบานเลื่อนออกตอนนั้นผมตกใจมากและมีอาการเหมือนผีอำขยับตัวไม่ได้ขนาดจะหลับตายยังหลับไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าผมถูกบังคับให้ต้องทนดูภาพอันน่าสยดสยองนั้นแล้วสิ่งที่ผมเห็นเป็นมือนั้นมันก็พยายามไต่เข้ามาในห้อง มันเอาสองแขนจับขอบหน้าต่างเอาไว้แล้วก็เอาฟันจิกไปยี่ขอบหน้าต่างเพื่อพยุงตัวขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆปีนขึ้นมาจนขึ้นมาได้ครึ่งตัวแล้วผมก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาขาวซีดผมยาวใส่เสื้อสีขาวแต่สิ่งที่น่าตกใจคือเธอไม่มีขา ชิ้นส่วนร่างกายตั้งแต่ใต้สะดือลงไปนั้นไม่มีมันเหมือนกับคนขาดสองท่อนแล้วไส้กับอวัยวะเครื่องในยังคงติดอยู่กับตัวเพราะเธอเกอกขึ้นมาถึงขอบหน้าต่างเธอก็ทิ้งตัวลงกับพื้นเพื่อเข้ามาในห้องแต่สิ่งที่เธอทำนั้นมันทำให้ผมช็อกมากเธอทิ้งตัวจากขอบหน้าต่างลงมายังพื้น ซึ่งมีความสูงอยู่ราวๆเน่าเธอเอาหัวลงกระแทกกับพื้นเสียงดังมันเหมือนคนล้มอย่างแรงคอของเธอหักพับไปทางขวากลิ่นคาวเลือดกลิ่นเหม็นเนา่าทรงกลิ่นคละคลุ้งรุนแรงยิ่งกว่าเดิมแล้วเธอก็แน่นิ่งไปสักพักไม่นาน เธอก็เริ่มขยับตัวอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยๆคลานมาหาผมในวินาทีนั้นผมกลัวมากๆผมคิดว่ามันต้องเป็นฟันร้ายจากฤสุราเป็นแน่เธอยังคงคลานมาหาผมที่เตียงคลานมาเรื่อยๆแล้วเธอก็คลานมาจนถึงปลายเตียงผมขอบเตียงทำให้ผมมองไม่เห็นเธอ ผมพยายามมองหาเธอว่าเธออยู่ที่ไหนแล้วสักพักผมก็ได้กลิ่นเหม็นที่รุนแรงขึ้นอีกมันเป็นกลิ่นเหม็นที่รุนแรงมากๆเหมือนกับเธออยู่ใกลๆตอนนั้นผมคิดว่าเธอน่าจะอยู่บนเตียงผมแล้วผมกรอกตาไปทางซ้ายไม่มีแน่นอนเธอต้องอยู่ทางขวาผมแน่ๆ ผมตัดสินใจที่จะไม่มองดีกว่าทันใดนั้นเธอก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังและแหบแฮงขอบใจกูสิแล้วผมก็สะดุ้งลุกขึ้นขยับตัวได้แล้วหัวใจผมเต้นแรงแทบจะออกมาวิ่งอยู่นอกอกเหงือผมแตกไปหมดทั้งตัวทั้งทั้งที่เปิดแอร์อยู่ผมล้มตัวลงนอนอีกครั้ง แต่ยังไม่ทันได้คิดอะไรผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเอาเล็บขูดกับตู้ทีวีมันเป็นเสียงกรีดยาวๆหลายๆครั้งความกลัวผมต่อเนื่องมากขึ้นเป็นทวีคูณไม่อยากจะเห็นอะไรอีกแต่ด้วยความที่อยากรู้ผมจึงหันไปดูก็เห็นเธอคนนั้นกําลังเอาเล็บขูดกับตู้ทีวีและเหมือนกับว่า เธอกำลังหาอะไรอยู่ทันใดนั้นเองผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นก็พบว่ามันเช้าแล้วมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ลอดผ่านเข้ามาผมรู้สึกโล่งใจมากเพราะมันเป็นเพียงแค่ความฝันจากนั้นผมก็ไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปเรียนพอผมเดินไปเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์การเรียน ที่วางอยู่ตรงตู้ทีวีก็เห็นว่าข้าวของบริเวณนั้นกระจุยกระจายไปหมดเหมือนกับมีใครมารื้อหาของผมตกใจมากเพราะในฝันเธอคนนั้นก็ได้มาตรงนี้เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้เก็บของอะไรให้เรียบร้อยเพราะต้องรีบไปเรียนพอเลิกเรียนผมก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ได้พบกับป้า ผมก็เลยลองถามป้าดูว่าหอนี้เคยมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าป้าแกก็บอกไม่มีหรอกเว้นแต่ว่าอย่าบอกนะว่าไม่ได้ทำตามที่ป้าบอกผมก็ตอบไปว่าผมไหว้ศาลนะแล้วผมก็สารภาพบอกเรื่องเมื่อคืนให้ป้าฟังว่าผมไปขนสารเพื่อหาไฟแช็ก ป้าแกก็ทำหน้าตกใจมากแล้วถามผมว่าได้ขอเขาไหมผมจึงบอกว่าไม่ได้ขอป้าก็ไล่ผมให้รีบไปขอขมาในทันทีผมจึงบอกกับป้าว่าขอเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนแต่พอผมเปิดประตูห้องออกมาก็พบว่าข้าวของภายในห้องกระจัดกระจายเหมือนมีคนมาขนห้อง ผมตกใจมากเลยวิ่งลงไปบอกกับป้าว่าโจรขึ้นห้องป้าก็ตอบกลับมาว่าไม่มีโจรหรอกไม่ต้องแจ้งตำรวจนะแต่ผมก็ดึงดันที่จะแจง้งป้าเลยพาผมไปดูกล้องวงจรปิดเชื่อไม่ว่าไม่มีใครมางัดประตูห้องผมเลยหรือแม้แต่เดินมาหยุดหยุดตรงหน้าห้องก็ยังไม่มีถ้าเกิดโจรจะปีนเข้าทางหน้าต่าง มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผมอยู่ที่ชั้นห้าจากการดูของผมที่ภายนอกตึกแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครปีนขึ้นมาได้แล้วข้าวของของผมก็ไม่มีอะไรหายด้วยในขณะที่ผมเดินตรวจสอบห้องว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรอีกไหมผมก็เห็นคำที่ผมเขียนไว้หลายๆคำซึ่งมัน เป็นงานส่งครูทุกคำความหน้าหมดแต่มีเพียงคำเดียวที่างขึ้นคือแตงโมแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปขอขมาที่ศาลด้วยแตงโมป้าเล่าให้ผมฟังว่าเคยมีคนหนึ่งมาเช่าอยู่เป็นคนอยู่ในวัยทำงานแล้วเขาก็เป็นคนดูเหมือนจะไม่กลัวอะไรแล้วก็ไม่ไหว้ศาล พอเขาเข้ามาอยู่ได้ไม่นานเขาก็มาถามกับป้าว่าหอป้ามีผีใช่ไหมเนี่ยเพราะเขาฝันเห็นผู้หญิงคนเดียวกัน <c oughs> กับที่ผมเห็นทุกคืนเลยป้าก็เลยบอกให้เขาไปขอขมาจากนั้นเขาก็อยู่ได้ไม่นานแล้วก็ย้ายออกตอนที่ป้ามาทำงานใหม่ๆป้าก็เจอเข้าฝันมาในแบบต่างๆนาน า, น า, นาน ก็เพราะไม่ได้ไว่ายไม่ได้ทำตามที่เจ้าของหอบอกแต่พอทำตามแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยส่วนตัวผมก็ยังอยู่หอนี้จนเรียนจบผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นแค่ฝันไปมันเลยทำให้ผมไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงแต่มันก็อดที่จะไม่เล่าไม่ได้ เพราะผมก็ยังสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ทำให้ข้าวของผมกระจัดกระจายและฟันร้ายแบบนี้ สัมผัสสยอง